แล้วว่าจําไว้เด้อว่าพอเวลาองค์นั้นสิบัดง่ายๆเด้เพิ่นอยู่ได้ก็พยายามเบิ่งซ่อยกันกกกองพุทธศาสนาซ่อย เออแต่ละภาพซื่อๆถ่อขน้อยถ้าเป็นอีหลีไปกะอืมอืมสิสิไปฮ้อนถึงถึงนั้นคือพมบอบช้ำมากเกินไปแล้วเอาไปเอามา เพราะว่าอาบัติตัวนี้น่ะมันแก้ได้มาก่อนเด้ถ้าก่อนเด้บ่ได้เอาก่อนซื่อๆบ่ายซื่อๆสัมภาษณ์ภายน้องซื่อๆก็เห็นเขากอดกัน นี่ล่ะเพิ่นมาปฏิบัติจังซี่บ่ก้องซอยกันขอตรัสครับตะนอนมาซอยกันเว้าซอยกันจ๋าอืมแต่ว่าเพิ่นไปจังๆมาอยู่นี่ตี้อยู่กรรมต้องมากราบ พออาตมานี่ไปกับหลวงพุทธาเสร็จทีนั่นรอหลวงพุทธาขึ้นรถ พ่ออาตมานอนทั้งหล่มสาวเฒ่านี่บุกเข้าไปหาสิยึดสงฆ์ผู้ซาให้บอกเบอร์เพิ่น เพราะว่าอาบัติตัวนี้น่ะพระพุทธเจ้าห้ามจับหมาแม่ก็บ่ได้เด้ เวลามีลูกเป็นผ้านั่นโบโบเข้าไปน่ะเอาเด็กน้อยไปนําผู้นึงๆน้อยๆแหละบ่เป็นหยังหรอกท่านภูพระก็ดีอาบัติเล็กๆน้อย ลองบาทลองบายเบิงไม่ได้กี่บาทก็ได้ก็มื้อสุกะพกปีที่เข้า 40 เสกภวินัยพระพุทธเจ้าบ่นให้ห้ามระหว่างภิกษุณีและภิกษุยังไปมาหาสู่กันได้ยังบ่ได้บัญญัติเป็นภวินัยครับบาดนี้มามาบาดนี้ภิกษุณีต้องเอิกพัน บาดนี้แม่เพิ่นก็ว่าลูกเพิ่นไปเพิ่นก็ป๋าเอิกระบาดอันลูกชายเป็นบ่าวๆน่ะแม่แม่โอยแม่ลูกแม่ก็ยังคิด ลูกกับหยอกแม่เอาไปเอามาแม่กับลูกเอากันของบุญใหญ่บาดพระท้องบุญใหญ่ภิกษุทั้งหลายก็โจทขานในก็มีกันพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเลยเอิ้นว่า เธอเธอไปสมสู่กับใครท้องกับใครเธอไปสมสู่กับใครเจ็บในทุนกับใครเธอบอก ตั้งแต่เมื่อนั้นมาพระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติเป็นพระวินัยห้ามมาทุกข์คามแม่ยิ้งนี่แม่ก็ตามน้องสาวก็ตราบพี่เอื้อยก็ตราบมีเนมมีพระมีเด็ก อ่าเพิ่นห้ามต้นนั้นบาดนี้ใครสิดื้อมาอีแนวใหม่ได้บาดนี่ทุนกับมาดูข้ามก็ไม่ยิงบ่ให้ได้เป็นวัดนี้ก็อยู่โคนไม้ของไผของเพิ่นก็ได้เข้ามาก็ลิ้งตัวแม่ออกจักๆ เจ้าเข้าล่อลิงตัวแม่วิ่งไปลิงตัวบักใหญ่นี่ก็คบทํากดเอาไปเอามาแล้วถือกันก็วิ่งหยอกก็คือเหลืองแท้เพิ่นย่างเข้าไปจอบก็เห็น พระพุทธเจ้าก็เลยเอิ้นมาถามว่านี่ภิกษุโจรขาลก็หลายเธอ แต่อย่างว่าคนได้อ่านพระวินัยเลยเรื่องมื้อนี้บ่ฮู้เรื่องเลยหลายองค์เลยบ่ฮู้เรื่องพระพุทธเจ้าเลยห้ามเลยบาดนี้อ้าวกรรมละค่า <800 ty ph i yapıl> เจ้าบักนั้นห้องน้อยๆนี่เต้นความบ่ค่ำจักเทื่อแล้วหัวกูอยู่ <łość> พอฝ่ายได้ไม่ออกเด้ออาตมาเว้าความจริงกันนี่เว้าเรื่องบ่ให้พระว่าเรื่องมื้อนี้บาดนี้เฮ็ดจังได๋จังสิหลีกเลี่ยงบ่ผมบวชเข้ามาผมก็คนเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นหยังเพิ่นจังให้คนครบ 32 จังให้บวชถ้าบวชผู้ก็เป็นอาวาสเด้ฮู้หนอกก็บ่ให้บวชถ้า 32 เป็น ถ้ากรรมะขาบ่มีบวชบ่ได้กะถอยบวชไม่ได้ เราเดินทุรดงไปก็ตามเราจะห้ามไม่ได้นอนพักกลางสังขารเราจะห้ามไม่ได้สังขาร พระพุทธเจ้าเพิ่นก็มาตรัสรู้เรื่องธรรมชาติตัวมันนั่นคือหน้าที่ของมันหน้าที่ของเฮาคือเบิ่ง อ้ายอ้ายมันก็ตายไปตายไปครับบ่ลองอาบน้ํา โอ้ยตายถ้าลึกขึ้นว่าพระอรหันต์อันมนุษย์บ่อันนี้มันสิบ่มีความว่าราคะบ่แม่นบ่ แต่ว่าหลวงปู่ทองรัดนั่นเพิ่นพระอรหันต์เด้ครับเดี๋ยวว่าเพิ่นเอาขวนฟันต่อมันครับโอ้ยพอ Sen ki ki ki ki em Au can kia, hoi pooi poong Sen vang ma au can kia, hoi pooi poong A ni bao luong pha thu phang Nang lắp ta bản ni ma tên pào lôi gặp Nhan chung kùm ni hưu sa bông khinh bất mượt mượt Than bạc kia tiêu ni Ba ta kia sắp bao pá tổ nhan บ่แม่นหยังครับแล่นเอาพึมๆมาโลดพึมๆๆนางจนเกือบซอดแจ้มันเมื่อยแล้วก็นอนบาด 10 เบ้อหูเรื่อง บกอกอกอไปพุ่นยอดไปนอกทางฮะอันผู้เฒ่าน่ะแฮงย่านแฮงออกวายบาดนี้อันหัวเก่านั่นผู้หัวนั่นหาหาบ่ ไปบ้านใดผู้แม่แม่ใหญ่เราหัวหลายรถทมนำหมากใส่กระเป๋าเสือเราแล้วหลวงสาวครับจะว่าเรื่องมื้อนี้นั่นเว้ายากยากอยู่ดอกปฏิบัติ ผมมาเอาแม่ย้อนในห้องอาหารน่ะผู้สาวติดผมหลายซ่ําใด๋เอ้าผมไปนั่งกินนั่นผมบ่ได้เสียเงินเด้อครับเจ้าแก่แม่ใหม่พวกมลายหอมแก่ บ่ไวเว้าแต่แต่เป็นคนพุ่นดอกเข้าซิบ้าจังมีหยังผู้วูพี่พี่บ่เป็นอะหยังแด้โอ้ยนี่บางคนโง่ตายบ่ได้ยังเหลืออยู่เพิ่นนั้นไป ยังมีเพจอีหยังดอกเพิ่นสิว่าอ้าวตั้งแต่เป็นบ่าว <c ười> สาวแกแม่ม่ายติดคู่ที่พื้นคนบุดพอหยังเห็นคู่สบายกว่าเอาเงินให้ บ่ได้ขัวจักเทื่อโอ้ยผู้เจ้าเมาเหล้ากอดคอผมไปแต่ตั้งแต่ตั้งก่อกอดหน่อยพ่อผมเป็นหลายร้อยเพลงหนาวผมจำได้เบิดแต่ผม ผมจัดไว้การสถานีวิทยุอยู่เข้าอยู่ผมบ่ได้ก็แล้วกันเอาวิทยุแล้วเสียงมันถลุออกมาอยู่พออีอีแฝดสวรรค์ผมเต็มเป่าก็แล้วกันผมบ่ได้ทุกไปบวชดอกโคดพ่อโคดแม่ก็พอหากินยังมา <c oughs> ดูถูกกันมากเกินไปแล้วพอหยังอาตมาอบรมกรมประชาสัมพันธ์จัดรายการวิทยุได้จัดรายการทีวีได้อันที่อันที่เว้าอันกัดหมอดให้ ODDSR จัดวับไหนเกิดถ้าวิธานิ่งถี่ clapping as w Yours, คุณว่า Подไหน no bilang at You Sua ในพวกพี่บาทวินี่ว่า Lean A$SA, เอ็บ Social Mother Pie forgets ให้อะไรยัง okay, sir aha bouti krabalii b sunscreenick on., color hot market market Sole marché Ask frequency долларов พวกพวกที่กระไว้เธอปกาบอกเป็นบาง pale beautiful favorite พวกพนเยี่ยมพรแมนพี่น่องเรา how to use if a world พรังเพลงนะครับเอ็ก tiet term face ไซตะ บ่ว่าที่จัดรายการว่าถ้าเป็นคนน่ะอาตมาสึกบ่ได้อาตมาก็บ่ยินยานเฮ็ดได้อย่างนี้อีอีเเม่บ่ <Sit> ja มึงติดเอาพวกผู้เจ้าไปขี้ขาลูกขี้ขาเมียขี้ขาผัวเป็นจังได๋ม่วนนี้อ้าวแค่พี่ขั่วเท่าใดบ่สิมีได้ซั่นได้แค่พี่ล่ะ แล้วไปอยู่อยู่ที่ละพุ่นอยู่ปู่ดะเบว่าได้น้าโอเลครับอันชาติว่าคนน่ะเป็นภาพเป็นเนนี่เว้าครับครับคือซ่าแหะอยู่ ตั้งงมนุงผาลึงเหนือนี่ก็ไปคือพุญญาบ้านนี่บาดผู้สาวเนี่ยนี่แท้องค์แล่ๆผู้มันก็ความอ้าวอีลีแล้วเรื่องยายสิถึกบ่ เมื่อไหร่จะเปลี่ยนชุดเพิ่นว่าบูบูคือสิมา Honda Accord พุ่น นี่มีความทุกข์ทุกข์ค่ะคือว่าทุกอะไรกี่ Honda Accord มาสามีดิฉันมีเมียน้อยอยู่ค่ะทำยังไงจะได้ผัวคืนอ้าวผัวเขียน ลูกได้ 16 ปีฮะเค้าเป็นอะไรลูกชายดิท่านติดยามหาอย่างจะให้ท่านช่วยสอนวิธีเดะถ้ามันห่างจากว่าเดี๋ยวนี้ปัญหายาบ้าเต็มทีบเลยอ้าวอย่าสิถามแหนนางจะคอยได้แชร์นะมันคิดอยู่บ่ล่ะ ทีมมาจีจะไปหลายปานไดละเดี๋ยวนี้โรงเรียนโรงเรียนนึงแม่มันขายให้แล้วแม่เฮ็ดจังได พ่อแม่มันบ่ดีแม้พระองค์ใดก็ไปนี้หลายเอายุคคอมพิวเตอร์เล่นอินเทอร์เน็ตทอดแทรกไปผู้สาวผู้บ่าวกันลูกผู้บ่าวปรากฏ พอขึ้นปั๊บๆๆรูปลาวดีเหมือนกันมื้อนี้ตอบขึ้นปั๊บสนหรือเปล่า แล้วลูกไม่มีพ่อกําลัง